ทรงแสดงธรรมีคถาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระเจ้าผีพิสารจอมทัพมครรชเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราพระไทยให้อาถรหารกล้าวกล้าปลอบชโลมพระไทยให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคถาครั้นเท้าเธอผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรแกหารกล้า ปลอบชโลมพระไทยให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาก็เสด็จลุกจากอาสนะถวายบังคมทรงประทัธรรมประทักษิณเสด็จหลีกไป